สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอเริ่มต้นเรื่องบารมีสามสิทัตเพื่อเป็นการสนองความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัท ร, รู้ว่าคำว่าบา ร, รมีบรรดาท่านทั้งหลายส่วนใหญ่มักจะมีความหนักใจกัน เมื่อเราพูดกันถึงว่าการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานหรือปฏิบัติเพื่อความดีในด้านของพระพุทธศาสนาอาตมาได้ยินมาเป็นปกติที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทันน่วนามาจะกล่าวกันว่าบารมียังไม่ถึงบ้างบารมียังอ่อนอยู่บ้าง หรื อ, อยังไม่มีบารมีเพื่อจะปฏิบัติบ้างการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปลารบอย่างนี้อาตมาก็เห็นใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาตมาเข้าใจดีในคําว่าบารมีเดิมทีเดียวอาตมาเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับบรรดาท่านพุทธบริษัท คิดว่าคนได้จะปฏิบัติเอาดีในาศาสนาพระองค์สมเด็จพระชินนสีบรมาศาสดาสัมมาสัพพุธเจ้าจะเข้าถึงความดีสูงสุดได้ต้องมีบา ร, รมีมาเต็มแล้วตามในองค์สมเด็จ พ, พระบัณฑิตเจ้วบรมศาสดาก็ทรงตรัสแบบนั้นตอนนี้คําว่าบา ร, รมีนี่เราไม่เข้าใจกัน เนี่ยมาไม่พูดถึงว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่เข้าใจพูดว่าอรตมาเองเนี่ยมีความไม่เข้าใจเรื่องบารมีมาก่อนแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะมีความดีกว่าอัตมามากเพราะว่าท่านังหลายอาจจะรู้จักคาว่าบารมีจริงๆมาก่อนก็ได้ ถ้าว่าเรื่องนี้อาตมาขอยอมประกาศตรงๆกับบรรดาท่านพุทธบริษัทยอมรับว่าอาตมางโง่เรื่องบา ร, รมีมามากแล้วก็งโง่มานานอายุใกล้จะหกสิบปีแล้วจงไม่รู้จักคำว่าบา ร, รมี <c oughs> ความจริงการปฏิบัติในด้านบา ร, รมีอาตมาทำถูก ต่านนี้ก็ต้องขอประธานโทษจะถือว่าเป็นการยกย่องตัวเองเกินไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคือทำมาแบบชนิดที่เรียกว่าบังเอิญถ่ายอุจาระตรงร่องต่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าการทำไปไม่รู้หรอกว่าบรารมีแปลว่าอะไรตามที่ศึกษากันมาบรรดาทั้นพุทธบริษัททั้งหลาย อาตมาเคยเรียนภาษาบาลีครูท่านก็นสอนว่าบารมีแปลว่าเต็มและบรมังตัวนี้ประวัยอย่างยิ่งก็คือเต็มไม่บกพร่องทีนี้เราก็เข้าใจกันเข้าคำว่าเต็มเต็มก็อยู่เสมอเลยไม่ทราบว่าบารมีเต็มตรงไหนอาตมาเป็นทักนักเรียน เป็นทั้งครูเป็นทั้งนักเทศก็สอนผิดเทศผิดเข้าใจผิดมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาทั้งนี้อาตมาไม่โทษครูบาอาจารย์เห็นจะเป็นเพว่าอาตมาเลวเกินไปที่ไม่ได้สนใจไต่ถามครูบาอาจารย์ให้เข้าใจว่าบารมีหมายความมาอะไร เนอธตมามาทราบว่าเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสิบสามปีนั้นบรรดาท่านผูทธบริษัทอาตมามาอยู่ที่วัดจันทารามหรือวัดท่าสูงนี้แล้วก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งอาตมาอยู่กระต็อปโคนต้นโพเพราะว่าที่วัดนี้ไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานมีกุฏิโครงเกรงโครงเกรงอยู่สามหลัง สองหลังที่ซ้อลือไปก็ใช้อาการอะไรไม่ได้ฟาก็โปร่งหลังคาก็ปลุกพื้นก็ผุรอดก็ไม่ดีก็รือออกไปยังเก็บไว้แต่เฉพาะกุฏิที่ท่านยาววาดอยู่หลังเดียวคือมีสภาพแข็งแรงเส้อลายก็โยเยโบดก็ราวิวหารก็พังพรส่วนมนใช้การไม่ได้ เมื่อท่านเยาวาดนิมนหมายก็ต้องไปปลูกกระตอบอยู่โคนต้นโพเวลานี้ยังไม่รือ้อและก็จะไม่รื้อต่อไปถ้าชีวิตยังมีอยู่จะซ่อมแซมเข้าไว้เพื่อรักษาสภาพเดิมให้ปรากฏเป็นอนุสรณ์แห่งความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ช่วยเหลือสงเคราะห์แตา ม, มาสร้างวัดท่าเจริญรุ่งเรือง ปีที่เคลื่อนมานั้นเป็นปีพศ2511วันที่25มีนาคมพศ2511ย้ายมาจากวัดสะพานโดยการอาราธนาของท่านเจา้าวัสคือพระครูรครสังฆรักษ์อรุณอรุณโนได้จัดกระบวนแห่ไปรับถึงวัดไปกันเป็นร้อยร้อยคนไม่ใช่คนสองคน เมื่อมาแล้วปีนั้นปีพศออ2512ปลายปีเมื่อแต่งพนนากาศตรีหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์พร้อมในคณะของท่านทอยเกิดหินเป็นปีที่สองคือปีแรกตั้งพนนากาศตรีปเีงการรัฐสมัยนั้นมียศขณะนั้นเวลานี้เป็นพลเอกแล้ว ได้มาทอกระถินถวายโดยการสนับสนุนของนาวากาศเอกอาทรโรจนวิภาตเป็นผู้ติดต่อให้พระบวชอยู่ด้วยหลังจากนั้นยังได้สร้างกุฏิขึ้นมาใหม่เป็นตัวตึกสองชั้นพร้อมด้วยสรากา ร, รเรียนและวิาหารสำหรับเอาพระที่เป็นควรให่การบูชาประดับประทับไว้นัที่นั้น ที่นั่นเรสร้างเสร็จก็ปลายกฏว่าน้ำท่วมต้องหนีขึ้นชั้นบนชั้นล่างท่วมหมดไปดูที่กุฏิเก่าก็ตอบที่อยู่น้ำแค่คอนี่เป็นบุญแทบ้บรรดาท่านทุตธบริษัทถ้าเอิญไม่ตัดสินใจก่อสร้างทุนรอนก็ไม่มีการสร้างกุฏิกรสาคราวนี้มีทุนเดิมอยู่สามพันกเจ็ดสิบ้าบาทเท่านั้น แต่ต้องใช้เงินทั้งหมดประมาณห้าแสนเศษที่ผ่านไปได้ดีดีก็เพราะอาศัยบรรดาท่านผู้ถวริษัทที่มีความเคารพในศ า, ศาสนาก็องค์สมเด็จพระบระมโลวงเกษตรช่วยกันสงเคราะห์ซึ่งมีท่านพลนาการตรีหมอ่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์ให้คุณเชลิษีสุขสวัสดิ์ณอยุทยาผู้เป็นปัญญาเป็นหัวหน้าในการชักชวนพวกเพื่อนทางหลาย มาร่วมบำเพ็ญกุศลยังได้อาศัยกุติหลังนั้นสอนบรรดาท่านพุทธศา ส, สนิกชนในการปฏิบัติระกรรมฐานนี่ก่อนจะเข้าถึงบารมีกันแล้วก็มาเรื่องเล่าเรื่อง้นกันเสียก่อนเพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมนี่คืนวันหนึ่งน้ำท่วมขึ้นมาแล้วแต่ว่าท่วมไม่มากยังไม่ถึงพื้น ขณะนั้นอาตมามีร่างกายไม่ดีความจริงอาตมานี่ป่วยไข้ไม่สบายมาตลอดชีวิตร่างกายไม่ปกติกับเขาเพราะเป็นคนสร้างความชั่วไว้ในอดีตมากเดยในชนในชาติเป็นอดีตอาตมารสร้างปาณาติบาตไว้มากบรรดาท่านพุทธบริษัทกรรมเก่าเขาก็ตามสนอง อาการความไข้มันเครียดหนักแต่อาตมาก็ไม่แสดงออกทางกายเว้นไว้แต่บางครั้งที่ลุกไม่ไหวบรรดาประชาชนทั้งหลายจึงจะทราบว่าป่วยมากทั้งนี้เพราะอะไรไม่ใช่มายาบรรดาท่านพุทธริษัทอาตมามีความอดทนทนเด็กดคุงกรรมความชั่วที่ทำไว้ในอดีต เถือว่าเป็นการชำระหนี้ความชั่วไปมันจะเบียดบิยนร่างกายเพียงใดก็ช่างมันพระองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมศาสตร์สนาสัมมาสัมพุทธทูตเจ้าสอนไว้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราบ้านร่างกายเป็นบ้านเช่าชั่วคราวเท่านั้น นีกรแสพระพุทธํรรัหลักขององค์สมเนตพระทรงทันบรมศาสัญญาสัมมาสัพพุทธเจ้ายังก้องอยู่ในโสตประสาทของอาตมาอยู่ตลอดเวลามีปรากฏว่าในคืนวันหนึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทซึ่งมาขอเรียนพระกรรมาฐานมากันครบถ้วนถึงเวลาใกล้ยี่สิบนาฬิกาอาตมาก็ขึ้นธรรมะ หวังจะสงเคราะห์ บ, บรรดาท่านพุทธบริษัทได้บทสอนพระกรรมฐ า, านตามที่มีความรู้ความจริงความรู้ในด้านนี้เขาอาตมาเห็นจะน้อยยาวไม่แค่หางอื่นถ้าถึงอะไรก็ดีถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความปรารถนาอาตมาก็สงเคราะห์เท่าที่จะรู้เท่าที่จะทําได้ อะไรก็ตามถ้าทำไม่ได้สิ่งนั้นไม่สอนเราทราบดีว่าแต่ขืนสอนก็ผิดในในวันนั้นเมื่อขึ้นไปบวชธรรมะแล้วก่อนที่จะให้สิลงท่านนำบรรดาท่านพุทธบริษัทธรมัดสวดมนต์ก็กลายกฏว่าจะร่างกายทรชนที่มันเป็นศัตรูใหญ่ของอัตมา นีน่อัตมากล่าวว่าร่างกายนี้มันเป็นศัตรูกับอาตมา ก, ก็เพราะว่ามันไม่ดีสักคราวไม่ว่าวันไหนบันใดท่านพุทธบริษัทจำได้มาตั้งแต่อายุสิบสองปีร่างกายกองอัตมานี้มันไม่เคยปกติมันให้โทษจนถอดเวลาจงถ้าอัตมาเบื่อหน่ายมันเต็มทีแล้ว ยังได้เชื่อองค์สมเด็จพระบัีแก่วว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอาตมาไม่สนใจมันนักมันจะดีมันจะชั่วมันจะทรงตัวมันจะพังก็ช่างของมันไม่คำนึงถึงมันอีกเพราะเจ้าผาตูนี่ขืนครบว้มันก็สร้างแต่ความลำบากกายลำบากใจให้ปรากฏ นี่ก่อนที่จะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทมาเสกการองค์สมเด็จพระบรมสุกต์เจ้าร่างกายจอมร้ายมันก็แสดงอาการออกคืออาเจียนอย่างหนักในปีพศอ .2513 อการ อ, อาเจียนไม่ยับยั้งผ่านไปประมาณสองกะทรมรู้สึกหน้ามึดใจสั่น กายวิวเกือบจะทรงตัวว่าไม่ไหวขณะนั้นปรากฏว่าบรรดาท่านพุทธกวีสท่านหลายที่มานั่งอยู่ด้วยต่างก็พากัน ร, รายงานบอกว่าถ้าร่างกายไม่ดีก็นิมนต์หลวงพ่อลงจากธารรมะไม่ต้องสอนเขาจะทำกันเอง อาตอมาก็คิดในใจเพราะถ้าเรื่องยิ่งร่างกายไม่ดีแล้วอาตอมาก็จะคงกําลังใจให้ดียิงขึ้นเพราะไม่แน่ใจว่าการขึ้นมานั่งบนต้าไม้คราวนี้จะเดินลงไปเองหรือว่าจะให้ชาวบ้านเขาอุ้มลงไปเพราะว่ากําลังใจมันสิ้นลมปราณลงไปซะก่อนในฐานะที่อาตอมาประกาศตนเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระชินอวอนวรส จึงบอกแก บ, บัรดาท่านพุทธบริษัทว่าท่านไม่ต้องห่วงถ้าจะมายิ่งจะตายในขณะนี้ด้วยเรื่องการเจริญพระกรรมฐานจะขอให้งดมไม่ได้แน่นอนเพราะยิ่งป่วยยิ่งจะเร่งรักให้มากเพราะเบื่อจะร่างกายที่มีความอากตันยูไม่รู้จกักขุนที่เราขุนมาอยู่ตลอดเวลา อยาแกกินอะไรก็หาให้ต้องการอะไรก็หาให้แต่มันไม่เคยตามใจเราไม่พูดอยางนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดว่าเจ็บใจร่างกายแต่เจ็บใจใจเขาตัวเองที่ไปทบคบกินเหล็กเอาไว้วันนั้นเมื่อเสร็จจากการอาเจียนบนปากทรงกำลังใจดีแล้ว เห็นว่าร่างกายไม่รวนก็นำบรรดาท่านพุทธบริษัทธรมวัดสดมนสมาทานและกรรมฐานแล้วมานั่งพิจารณาตัวเองว่าเวลานี้ใจมนันวิวเกือบจะขาดใจเสียงเี่กกล่าวไปก็ไม่เคยจะออกหน้ามึดมองคนข้างล่างดำไปหมดจำไม่ได้ว่าเป็นใครแ้วควบคุมกำลังใจทรงสติสมัมปญยะตามสมควร ที่ว่า น, นี่วันนี้บางทีเราจะไม่ได้ลงเองจะต้องถูกหามลงเพราะว่าสิ้นลมปราณสมัมบุญธรรมะยังได้ตัดสินใจว่าวันนี้ต้องสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทเรียกว่าเอากันเฉือนขั้นสุดท้ายกันเลยเรียกว่าทิ้งพลเรียกว่าทิ้งไพ่ใบสุดท้ายและพุ่งพลเล่มสุดท้ายที่มีอยู่ นั่นก็คือคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมคคูที่เรียกว่าบา ร, รมีสิท ธ, ธัตวันนั้นสอนบา ร, รมีสิทธัตเจรรดาท่านพุทธบริษัทท่านัหลายผู้รับฟังจะมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเกียนใดอาตมาก็ไม่ทราบเพราะสอนไม่เคยตรงเป้าหมาย เมื่อสอนเสร็จเวลาผ่านไปก็ดับไฟสังใมันดา่านพุทธบริษัทกันหลายพากันเจริญธรรมฐานทรงสติสมัญญาหรือว่าตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาหรือพิจารณาตามอัิยาศัยเพื่อการภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีนี่อัตมาไม่ขัดใจใคร ใครเคยทำแบบไหนคล่องมาแล้วให้ทำอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงก็ไรเพราะว่าการภาวนาหรือพิจรารณาที่ทำมาแล้วถ้าไม่ผิดก็ไม่ควรจะเปลี่ยนเพราะแบบปฏิบัติมีมากเายกันไม่จำเป็นว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จริงจะถูกทำยังไงก็ตามถ้าปรารบจิตไปสมาธิระงับจากนิริวร เพื่อปลารบจิตเป็นปฏิบักษ์กันห้าใช้ได้หมดพระรงกับแนวคาสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตแล้วอาตมาไม่ปฏิเสธการปฏิบัติข้ามบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่อนี้เมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเริ่มปฏิบัติอาตมาก็คิดในใจว่าร่างกายไม่ดีแบบนี้เราจะทนมันอยู่ทำไม ไปเสียจากแรงกายดีกว่าปล่อยให้มันนั่งอยู่ตรงนี้พอสัญญาณบอกเวลาปรากฏเราจริงจะกลับมาจานั้นจึงได้ไปเสียจากกายไปไหว้พระจะไปแบบไหนอันนี้บรรดาท่านพุทธวิษัชน์อาตมาไม่บอกบอกไม่ได้ไปยังไง ไปดวีทีไหนอยากจะรู้ก็ปฏิบัติกัน n n e เองเรื่องความจริงมันก็ไม่ใช่ของดีของเด่นอะไรนะักการไปได้มาไดแท้ใจเหลิ้งเกินไปก็ยังลงนรกได้ไม่ใช่ของพิเศษพ อ, อไปแล้วก็พบองค์สมเด็จพระบร ม, มโลภไปเชษ มีขวางกับชาว บ, บ้านเขแล้วเขาบอกว่าพระพุทธเจ้านี่ผานไปแล้วจะพบกันได้ยังไงมันเป็นเรื่องของเขาบรรดาแต่พุทธบริษัทนั่งหลายนี่มันเรื่องของอาตมาอาตมาพบกันได้ก็แล้วกันเมื่อพบแล้วก็เข้าไปนมาเสการองค์สมเด็จพระบัทีแกว้วก็เงยหน้าขึ้นมาพระองค์ก็ทรงตรัสถามว่าสามเกสี วันนี้เธอสอนบารมีสิทธัตใช่ไหมก็กระทมพระองค์ไว้ใช่พระพุทธเจ้าข่าพระองค์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัถามว่าสัมภเกสีบารมีแปลว่าอะไรตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอได้โปรดทรากว่าถ้าอาตมาสอนถูกพระองค์จะไม่ทรงตรัสแบบนั้น เ่อจมารู้ทันรู้เท่าเข้าใจทันทีว่าการสอนวันนี้ผิดพุทธพจนบทพระบาลีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการสอนนี้ไม่ใช่ว่ามันจะถูกเสมอไปมันก็ผิดเหมือนกันพระองค์สมเด็จไปจอมไตรมีพระพุทธดีกาจต่ถามแบบนั้นอัตมายเาทราบ ย่นดีกราบพลอยองว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่แน่ใจนักพระพุทธเจ้าข่าแต่ที่เรียนกันมาครูสอนบอกว่บารมีแปลว่าเต็มโรวงจิทรส่งจัดถามว่าอะไรมันเต็มแล้วมันเต็มแบบไหนสมมติว่าเธอจะปฏิบัติในทานบารมีเนี่ยถ้ายังไงทานบารมีมันถึงจะเต็ม ถ้าว่าจะนำของมาให้เต็มโลกเธอจะไปนขนมาจากไหนถ้าเราจะไม่นำของมาให้ทำยังไงรบารมีถ้านบารมีมันถึงจะเต็มแบบนี้มันก็อยู่ด้ยกันทท่านั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าคุณอย่างอาตมาถ้าว่าท่านดีเป็นนักปฏาบ ด, ดีกว่าอาตมาก็ไม่เป็นไรท่านไปได้ พรท่านมีความเข้าใจท่านมีความฉลาดพระตาตมาบอกแล้วนี่ว่าอตอมามีความรู้ไม่เท่าหางอืง่นที่ยาวไม่เท่าหางอืง่นและไม่แค่หางอืง่นเพราะความโง่มันมากพ <c oughs> ระองค์สมเด็จพระผู้มีประพาสูงตัดแบบนั้นกระโทนถามพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจในบารมีพระพุทธเจ้าข้า พระองค์จึงได้มีพระพุทธรีกาตัว่าสัมภเกสีเธอเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ว่าเธอดีแต่เฉพาะบริโภคเองเท่านั้นแต่การที่จะแบ่งปันให้บุคคลอื่นน่ะเธอไม่มีความฉลาดการที่เธอตั้งกำลังใจในด้านบารมีสิบพัทเป็นสามสิบพัท ด, ด้วยกัน สามชั้นเธอทําได้แต่ว่าวันนี้เธอสอนบรรดาประสงค์มีกรทั้งหลายพุทธบริษัทเธอทําไม่ถูกเธอจึงมีความเข้าใจเสียใหม่ว่าคำบารมีว่าบา ร, รมีนี่มันแปลว่าเต็มแต่อะไรมันเต็มแต่ท้าคดจะบอกให้เมื่อบา ร, รมีนี่ควรจะแปลว่ากําลังใจเต็ม นี่และบรรดาท่านผบ้ถวาริษัทฟังไว้ให้ดีว่าคำว่าบารมีก็คือกําลังใจทากําลังใจให้เต็มตอนนี้สิฉันจะฉลาดขึ้นมาทันทีเมอนึกในใจว่าเรานี้มันแสนจะโง่สุมากกําลังใจเต็มตอนไหนบรรดาท่านผู้ถวริษัท ท่านก็ทรงให้ทวนเรื่องบารมีสิทธัตว่ามีอะไรบ้างอาตมาก็จะไว้าคำตอบแกบพระองค์ว่าหนึ่งทานบารมีสองศิลบารมีสามเนคขมะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิริยะบารมีหกขันติบารมีเจ็ดสจัจจะบารมีแปดอธิธานบารมี ก้าวเมตตาบรมีสิกุเบขาบรมีองค์สมเด็จพระจิน์สีจึงได้มีพระพุทธดีกาจักว่าสมกเกสีถูกแล้วบรมีทั้งหมดนี้ให้ใช้กำลังใจสร้างกำลังใจให้มันทรงอยู่ในใจทั้งหมดให้เต็มครบท้วนบริบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่อง คือจิตของเราพร้อมที่จะให้ทานเป็นปกติจิตพร้อมในการท่งสินนี่ทิบันดาท่านพุทธบริษัทพร้อมในการทรงสินเป็นปกติไม่ใช่ปล่อยให้สินมันหล่นหายไปจิตพร้อมในการทรงเนคขมะเป็นปกตินี่คมะกัปปะาการถือวบวุต บวทผมยาบวกผมสั้นบวกกนหัวไม่คนหัวได้ท้งนั้นในจิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหัตประหารอุปาทานให้พินาศไปเปนือยะมีความเพียรทุกขณนะควบคุมใจไว้เสมอคันติมีทั้งอดทั้งทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์พร้อม สัจจะทรงตัวไว้ตลอดเวลาว่าเราจะจริงทุกอย่างไม่มีอะไรในคำว่าไม่จริงสนบใจเราในด้านของการทำความดีอธิฐานบา ร, รมีตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะเมตตาบา ร, รมีสร้างอารมณ์ความดีไม่เป็นศัตรูกับใครมีความรับตนเสมอด้วยบุคคลอื่น อุเบกขาบ ร, รมีวางเฉยเข้าไว้ในเมื่อร่างกายมันไม่ทรงตัวยันที่เธอเป็นในวันนี้อุเบกขาบ ร, รมีตัวนี้พระองค์กล่าตรงกับภาษาไทยที่ใช้กันเป็นปกติว่าช่างมันคันติบ ร, รมีนี่ก็เหมือนกันใช้คําว่าช่างมันตรงตัวดีนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทวนนา วันนี้ยังไม่สอนอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทเรามาคุยกันในคําว่าบารมีเสก่อนเพื่อจะให้บรรดาพระโยคาวาจรทั้งหลายได้ทราบชัดว่าบารมีที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคให้เราสร้างให้มันเต็มนั้นก็คือสร้างกําลังใจปลูกฝังกําลังใจให้มันเต็มครบทนบริบูรณ์สมบูรณ์ ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งคิดเราจะมานอนคิดเราจะมาทรงจิตว่าเอบรารมีของเรามันไม่มีนี่ใช่ก่อนบรารมีของเรามันไม่พอบรารมีของเราจะไม่เต็มเราจะเป็นเบโซดาสิธทาคาอนาคาหันยังไงได้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริสตันหลายมีความเข้าใจตามนี้ พ อ, อยังจะรู้ได้อย่างว่าเราสามารถจะสร้างบารมีได้เราอาศัยกำลังใจความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกกำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นที่รรยธรรมเราให้มันดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินา์สีบรมศาสนดาสมมาสัพพุทธเจ้า ทรงตัดไว้ในเรื่องพระจกักรกุบาลว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมยาทาดังหลายมีใจเป็นหุวนหน้ามีใจระเสศสุดสเสม็ดในใจที่ความจริงเรื่องนี้กรเรียนกันมาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันทำไมถึงลืมก็ไม่ทราบอ拉บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคงจะเข้าใจคำว่าบา ร, รมีแล้วอย่าลืมบา ร, รมีแปลว่าเต็มแต่ส่วนที่เราจะทำให้เต็มนั่นก็คือกำลังใจให้กำลังใจมันพร้อมพร้อมที่จะทรงความดีในด้านบา ร, รมีไว้ถ้ากำลังใจของเราพร้อมท่งบา ร, รมีทั้งสิบเรือการครบถวนเพียงใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของง่ายที่นำบารมีทั้งสิบรายการมากก่าในตอนนี้ใสด์แตเพราะว่าในตอนต้นผู้เรื่องประสดาบัญคาไว้ mm hmm. เห็นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายอาจจะคิดว่าแม้มันยากเกินไปนั่นเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติ อาตมาได้บอกไว้ในตอนสุดท้ายว่าถ้าไม่เข้าใจขอให้มันดาท่านพุทธบริษัทมาพบอาตมาจะแนะนำให้ถ้ากำลังใจในการสร้างตนเป็นประสูดาบันมันยังครบถ้วนไม่ได้ก็หันมาจัดการกับบา ร, รมีทั้งสิบราการให้มันครบถ้วนบริบูรณ์ทานการให้เป็นการตัดความโลภศีลล้วก็ตัดความโกรธ เนคะมะตัดอารมณ์ของกามาคุณปัญญาตัดความโมกุญญาตัดความขี้เกียจคันติตัดความไม่รู้จักการอดทนสัจจะตัดความไม่จริงใจมีอารมณ์ใจกับกลอกอริธา น, นทรงกําลังไว้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมตตาสร้างความเยื่อเยินของใจอุเบคาวางเฉยเอาไว้ในเรื่องของกายเราไม่กล้าลบ เท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ากําลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงใดคําว่าประสูตาบันนันบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททําไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าคนที่มีบารมีเต็มครบถ้วนบริบูรณ์มีกําลังใจเท็จเต็มทุกอย่าง ในสิบเรการนี้องค์สมเด็จพระจินาศีบรมาศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าไม่เรียกว่าพระโสดาบันถ้าไม่เรียกว่าพระโสดาบันท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกว่าพระขีณาสพแปลว่าผู้มีอาสะวะอันสิน้นไปแล้วหรือว่าเรียกว่าพระอรหัตผล เป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอันดับสูงสุดเข้าถึงสิมภนิพานได้อาระบรรดาท่านพุทธบริทัทหลายเวลาการที่จะพูดในสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอยุติว่ตะเพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่วับฟังทุกท่านสวัสดี